พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ในข้อนัดหมายกันได้เพราะอะไรเพราะพุทธานุภาพเมตตาอนหาประมาณไม่ได้ของพระองค์ที่ปกติแผ่ไปในสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้โดยไม่เจาะจงพระองค์ก็มาเจริญเมตตาโดยเจาะจงเนี่ยนะเจริญเมตตาเพ่งมาที่ พระปัญจวัคคีทั้งหาให้มีความสุขเนี่ยนะปรารถนาให้มีความสุขปกตินะสัตว์ทั้งหลายถ้าเขาโกรธเราเราก็ไม่ค่อยชอบเ้าเหมือนกันใช่แต่ถ้าคนที่มีเมตตากับเราจริงๆเราก็มีมีใจยินดีกับเขาเพรา ะ, ะด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพระปัญจวัคคีบางรูปกลุกขึ้นรับบาจีวนบางรูปกับปูอาสนะบางรูปกัตั้งน้าล้างเท้าแต่ก็พูดระบุนาม และใช้คำพูดว่าอุสเรียกชื่อตรงๆเลยคือคือเมื่อก่อนเนี่เขาบอกว่าคนที่เขาเคารพจริงๆเขาจะไม่เรียกชื่อนะเขาจะไม่เรียกชื่อบางคนเนี่ยอย่างพระราชาบางองค์เนี่ยแทบไม่เคยได้ยินชื่อตัวเองเลยไม่มีใครเรียกชื่อตัวเองเลยเอ่ยชื่อเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยคนภายนอกเท่านั้นะที่จะเรียกชื่อพระองค์ จะเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระควาพระควาณตังนี่ยนะพระควาพระควันตังจะเรียกแต่พระควาพระควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเคารพเพราะบุคคลที่ดํารงอยู่ในฐานะคู่ควรแก่การเคารพแต่บัดนี้ไม่เคารพและอวุโสผู้มีอายุเนี่ยนะผู้มีอายุก็แปลว่าเรียกแบบเด็กๆกันนะจริงๆอ่ะในความคิดของเขาก็เพราะหมายเจ้าชายพระสิทธาเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ท่านประสูติตอนที่กลุ่มเหล่านี้หนุ่มจบการศึกษาเบดเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาวุโสแมยังเกอ่อนเยาวะนะยังอ่อนเยาวอยู่พูดแบบนี้ก็บอกก็ยังไร้เดียงส า, ายอยู่เหมือนกนพระองค์ก็เลยด้วยเมตตาที่พระองค์มีต่อพระปัญจวัคคีย์บอกพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ดังไายพวกเธออย่าพูดกับตถาคตโดยระบุนามและอย่าใช้คาพูดว่าอาวุโส อันนี้การที่พระองค์บอกว่าตถาคตคือผู้ที่เสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยนะเสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทุกพระองค์เลยมีนับตั้งแต่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมะสมุทรานแต่ประการสมาทานบา ร, รมีสิบสร้างบา ร, รมีสิบจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะที่ถ่องแท้อย่าเรียกโดยระบุ อาวุโสเลยกนะก็แปลว่าอยากอยากพูดแบบภาษาไทยว่าแบบอย่าเสีย ม, มารยาทขนาดนั้นเนี่ยนะพูดแปบลบแบบเป็นภาษาไทยอีกรอบเนี่ยนะแปลว่าอาวุโสเนี่ยบอกเป็นคําพูดที่แบบเด็กๆ เ, เรียกผู้ใหญ่แบบนี้เรียกว่าเสียมารยาทมากเรียกครูว่าแมนะเธอเนี่ยนะแต่ถ้าพูดเราสมมุติถ้าเราคุยกับครูใช่ไหมเราพูดสำนวนไทยเนี่ยคนที่ปกติเราเคารพยำเกรงมากเธอไปไหนมาเนี่ยนะนะเอาเธอมาด้วยเหรออย่างเงี้ยเป็นต้นแตนะ่คำนี้ก็แสดงว่ า, าขาดความเคารพยำเกรงมากเนะ่ยนะ อย่าเสียมารยาทขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะตะถาคตได้ตรัสได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเธอจงเงี่ยโสดลงสะดับเราจาักสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะสอนเรื่องพระนิพพานให้โดยวิธีการที่เราปฏิบัติแล้วบรรลุเราจะแสดงธรรมแสดงธรรมก็คือประกาศอริยสัจธรทให้ตรัสรู้เนี่ยนะเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอน ไม่นานนะก็จะทําให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติอันประเสริฐอันเป็นคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์เป็นชื่อของอรหัตตมรักสูงสุดเลยนะที่สุดของอรหัตตมรักก็คืออรหัตตผลเราจะสอนให้เธอเนี่ยทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลเป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมที่กุลบุตร ผู้มีศรัทธาออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชเป็นบรรประชิดมุ่งหมายต้องการด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงในปัจจุบันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเธอปฏิบัติตามคําสอนนะบรรลุในชาตินี้แหละไม่ต้องไปรอชาติหน้าในปัจจุบันนี้แหละว่าไงนะนะผมก็ยืนยันแบบนั้นไอคนไม่มีศรัทธาพูดยังไงมันก็ไม่มีศรัทธาหรอกก็เลยปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่า อวุโสโคโดมยิ่งห้ามเหมือยิ่งยุใช่ไหมอวุโสโคโดมเพราะการประพฤติทุกขการกิรยาอย่างนั้นเพราะปฏิบัติทุกขการกิรยาธรรมอย่างอุกฤษอย่างนั้นเนี่ยเพราะการบำเพ็ญทุกขการกิรยาอย่างนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมธรรมที่สูงสุดยอดเหนือมนุษย์ทั้งหลายคือมรรคผลนิพพานแปลว่าไม่มีคุณธรรมพอที่จะเป็นอริยญาณทัศ น, นะคืออริยมรรคชั้นพิเศษ ขนาดทําขนาดนั้นยังไม่บรรลุว่างั้นเถอะขนาดทําขนาดนั้นยังไม่บรรลุอริยมรรคว่างั้นบัดนี้ฉันไหนเล่าเนี่ยนะครดูเมนต์ดีกันนะกลับมาดูถูกกันนะก็คือเขายกย่องไอ้ทาแบบแบบแบบแบบวิธีการที่เขาอุปถัมภ์นะเพราะเขาถือว่าตอนที่เขาอุปถักนั้นอนะ่ะสุดยอดแล้วสูงสุดแล้วพอกลับมาฉันบอกอาจารย์ไม่ดีจริงแล้วเลิกนับถือมันเวียนกลับมาเป็นอย่างนี้มันจะบรรลุได้ยังไงเนี่ยนะเพราะท่านเป็นคนมากมากมากัก กามักมากแปลว่ามักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภะทั้งหลายแล้วคลายความเพียรในการทำทุกระกิริยาวิเยนกลับมาเป็นคนมากๆจะบรรลุอุตริมนุสธรรมคือมักผลที่พอจะเป็นอริยะานทัสนะชั้นพิเศษได้อย่างไรเมื่อพิสูจ์ปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเป็นเราก็เลิกเทศนะนะไม่ไม่ฟังก็ไม่ฟังสิเนี่ยนะ นะก็กยคยนละเรื่องกันเลยนะแต่นี้ยพอพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพระองค์ได้มีเมตตาหาที่สุดนี้ได้นะก็คือแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวขอร้องกล่อมเรียกกล่อมคนเรื่อยไปเรื่อยเนะี่ยไม่ใช่เพราะท่านเหล่านี้คู่ควรที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพระองค์ก็อดทนคือคนที่พอจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะอย่าว่าแบบหาเรื่องอะไรนะไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแค่นี้เลยต่อให้เขาเนี่ยทำสงครามกับพระองค์ทั้งคืนพระองค์ก็รอเขาได้ นะขอให้ถ้าเขาจะบรรลุมรรคผลนะแต่ถ้าไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยเฉี่ยวไปเฉียวมาก็ไม่เจอกันบางทีเนี่ยนะมีอย่างอย่างเท้าส ก, ก่าเล ย, ยว่ามนุษยธรรมดาเลยเท้าสักกะเนี่ยจะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นว่าเท้าสักกะอินทรียังไม่แก่กล้าพระองคเข้าสมาบัติไม่รับ พ, รพูดแบบนี้ก็แปลว่าปิดบ้านไม่รับแขกเนี่ยนะนั่งเงียบเลยนะพอเท้าสักกะหันรถกลับไปพระองค์ก็ออกจากสมาธิทากิจต่อนะั่นนะไอย้ยางนี้ก็มีเนี่ยนะ นั้นก็แปลว่าไม่ได้ว่าแปลว่าพระองค์เนี่ยจะต้องแบบจะต้องคุยกับทุกคนทุกการทุกสถานที่และทุกเวลาเพราะพระองค์รู้กาลัญอูบุคคลแต่ถ้าเขาจะบรรลุนะจะคุยกับเขาอยู่นานแสนนานก็ได้ให้เขาด่าก็ได้ขอให้เขาบรรลุเถอะแต่ถ้าเขาจะไม่บรรลุนะพระองค์ไม่มีเวลาคุยด้วยกันนะเพราะพระองค์สนใจเฉพาะผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลหรือสร้างเหตุเพื่อให้มีวาสนาถ้าจะได้บรรลุมรรคผลถ้าไม่เข้าเงื่อนไข พระองค์ก็ไม่ลนะพระองคก็ทํากิจอย่างอื่นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีปัญญาที่สูงสุดพระองค์เลือกที่จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็ได้เลือกจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดก็ได้ตามที่พระองค์ประสงค์ องก็เลยอันนี้พูดถึงกลับมาอีกว่าพระองค์นี้ก็ด้วยเมตตากรุณาที่มีต่อรพระปัญจวัคคีย์ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายแต่ถาคตมิได้เป็นคนมากๆ ม, มิได้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆแตถาคตได้เป็นพระอรหันตสัส ม, มาสัมพุทธะพวกเธอจ ง, งเงี่ยโสดลงสดับเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุ เราจะแสดงธรรมเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนไม่นานนักก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชโดยชอบมุ่งหมายด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่คือพวองยืนยันเลยนะบอกว่าถ้าหากว่าพวกเธอตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยนะไม่นานหรอกจะเป็นพระอรหันต ยืนยันด้วยวนะ่าพวกเธอจะเป็นผ้าอาหารด้วยขอให้ปฏิบัติตามพวกปะภิษุปัญจวัคีก็กล่าวคัดค้านอยู่อย่างนี้อีกว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายทีนี้คัดค้านอยู่นะครั้งที่หนึ่งก่อนแล้วครั้งที่สองก่อนแล้วครั้งที่สามก่อนแล้วเนี่ยนะพอถึงครั้งที่สามพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลาย เธอจำได้หรือไม่ว่าคำอย่างนี้เราได้เคยพูดมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยพูดให้พวกเธอฟังอย่างนี้บ้างไหมว่าเราเนี่ยตัวเนี่ยตรัสรู้แล้วถ้าเธอปฏิบัติตามไม่นานเธอจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เธอเคยฟังคำนี้บ้างไหมภิกษุ ป, ปัญจาวาักขีก็บอกว่าข้าแต่พระอับพระองค์พูดเจริญคำอย่างนี้ไม่เคยได้ตรัสพระองค์ไม่เคยตรัสเลยฟังปั๊บสะกิดใจเลยว่า คือรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพูดคําไม่เป็นสองคือเขาเขารู้รู้อัธยาศัยรู้นิสัยพอสมควร่ะนะติดสอยห้อยตามกันตั้งหปีเนี่ยแสดงว่ารู้อะไรเยอะพระองยังไม่ตรัสสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเพรา ะ, ะนั้นคําที่บอกว่าที่พระองค์บอกว่าอะไรเราตัดสู้แล้วแล้วเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยไม่ใช่หรือเขาเชื่อเลยเขาก็เลยย้ําอีกครั้งว่าเรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากไม่ได้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากตถาคตได้เป็นพระอรหันต์ัสมาสัมพุทธะ พวกเธอจงเงี่ยโสดลงสดับัเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุเราจะแสดงธรรมเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนไม่นานนักก็จะ ก, กระทาให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันเป็นคุณธรรมยอดเยี่ยมที่กุลบรออกจากเรือนไม่มีเรือนบวดเป็นบนรรพชิตโดยชอบมุ่งหมายด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจรรุบันเข้าถึงอยู่ซึ่ง พระองค์ก็บอกว่าสามารถให้พวกภิกษุปัญจวัคคีย์ยอมเข้าใจคือธรรมมาเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจฟังยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่พระองค์ตรัสเลยว่าถ้าคนที่เพ่งโทษฟังธรรมคนที่ฟังธรรมฟังยังไงก็ไม่บรรลุเลยและว 1. ดูถูกตัวเอง 2. ดูถูกผู้สอนสดูถูกเนื้อหาที่กำลัง เรียนอยู่เนี่ยนะถ้าดูถูกสามอย่างดูถูกแล้วดูหมิ่นอ่ะนะถ้าดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนผู้พูดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองดูหมิ่นดูแคลนเหยียดยามตัวเองสามเรื่องที่กําลังฟังแล้วก็ไม่เงี้ยวโสดไม่ประมวลจิตติดตามเรื่องราวเหล่านั้นตลอดสายเนี่ยพองษ์บอกว่ายังไงก็ไม่บรรลุอันนี้พองษ์บอกว่าไม่สามารถที่จะยังลงสู่อริยมรรคโดยชอบได้ดแปลว่าบำเพ็ญอริยมรรคให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้เนี่ยนะ ท่นพระองค์ก็เลยต้องคิดว่าให้ปรับทัศนคติให้ให้ยอมเข้าใจเป็นไปตามในทิศทางเดียวกันก่อนให้มีศรัทธาว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วนะพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ตัวเองก็พอจะบรรลุได้ธรรมะนี้ก็เป็นธรรมที่ดีจริงแสดงว่ามีพื้นฐานอัธยาศัยสรณคมอยู่ในใจก่อนจึงจะตรัสรู้ได้พันธรรมไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นพูดเถอะเนี่ยนะ พูดให้คนฟังซะหูชาหมดแล้วคนพูดเองก็คอแห้งหมดก็ไม่สําเร็จประโยชน์นะพูดจนป่วยตายทั้งสองฝ่ายก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเพราะว่าที่สําเร็จประโยชน์จริงๆก็ต้องอ ะ, อะไรนะเคารพอัดเคารพธรรมเคารพคําสอนเป็นต้นนั่นแหละจึงจะเพียงพอที่จะตรัสรู้ได้ทีนี้พระภิสุ ป, ปัญจวักคีก็ยอมเข้าใจคําว่าเข้าใจแปลว่ายอมปฏิบัติตามจนได้บรรลุมรรคผลพระสูตนี้ไม่ได้ต้องการอ อธิบายธรรมจักรกับประวัตินสูตรแต่มุ่งอธิบายว่าตัวเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามาสแสวงหานิพพานเป็นธรรมที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือจุดขายของสูตรนี้ว่าพระองค์ต้องการบอกแค่นี้เพราะไม่อธิบายเนื้อหาที่เป็นธรรมจักเพราะต้องการจะบอกว่าผู้ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายรู้โทษ ของสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสแสวงหาทำเป็นที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพิกษุเหล่านั้นก็ยอมเข้าใจวันแรกพระอัญญาโกนทัญญะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งพรหมอีกสิโกดที่บรรลุอริยคุณอย่างอื่นเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะเรากล่าวสอนภิกษุทั้งสองรูปอีกสรูปไปเที่ยวบินธบาตเราทั้ง6รูปก็ฉันบิณธบาต ท, ที่พิสูจนสรูปนํามา เดีไม่ใช่ไปบินธบะเรียงแถวหน้ากระดานไปทั้งหรูปไม่ใช่เนี่ยนะไปบินกันสมรูปอีกสรูปก็รอฉันนะกันเถอะมาถึงก็ฉันพร้อมกันแล้ววันหลังมาพระองค์ก็สอนภิกษุสรูปภิกษุสองรูปที่เหลือก็ไปบินธบะเราทั้งหรูปก็ฉันบินธบะที่ภิกษุสองรูปนํามาพันนั้นเปนวันที่หนึ่งพระอัญญาโกณทัญะบันลูวันที่สองพระวัปปะวันที่สมหานามะวันที่สอะไรนะ วัปปะัทยมหานามะอัชชิเนี่ยนะวันสุดท้ายก็วันแรมส่ค่ำพระอัศชิก็บรรลุเนี่ยนะแล้ววันแรม5ค่ำพระพุทธเจ้าก็ประกาศอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะก็ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ที่ไหนที่ธรรมราชิกะสถุขก็มีที่ที่แต่บริเวณ เมืองพาราณสีมีสถูปใหญ่ๆอยู่สองที่อีกที่หนึ่งธรรมราชิกาสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศอนัตตะลักษณะสูตรตอนนี้เหลือแต่ลานกลมๆ เ, เข้าไปดึงตรงเข้าไปนั่นแหละลานกลมๆตรงนั้นเรียกว่าธรรมราชิกะสถูปที่พระองค์แสดง อ, อ, อนัตตะลักษณสูตรที่ปัญจ ว, วัคคีย์บรรลุห้าองค์นะนะส่วนถ้าไปทางขวามือสถูปองค์ใหญ่ๆนั่นแหละเรียกว่าธรรมเมฆสถูปตรงนั้ น, เ, นเป็นสถานที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักเนี่ยนะ ในก็สรุปว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกองค์เลยครั้งนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยนะพวกพิสุปัญจวักขีซึ่งเราโอวาดอนุศาสตร์หมายความว่าทั้งสอนทั้งพร่ำสอนตามสอนตามบอกอยู่อย่างนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดารู้ชัดในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่เกิดหาธรำอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษณจากโยคะ เราเป็นผู้มีความแก่พิกสุปัญจวักคีเหล่านั้นเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดรู้ชัดโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่ากเกเซมจากโยคะพิกสุปัญจวักคีเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดารู้ชัดทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความ เจ็บป่วยเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเจ็บป่วยดับความเจ็บป่วยไม่มีธรรมเหล่าใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่า น, นี้อีกแล้วเนี่ยนะเป็นธรรมที่กเกษมปลอดจากโยคะปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงตัวเองเนี่ยนะคือตัวปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยปกติแล้วเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดารู้ชัดในโทษคือขันห้าสเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็สแสวงหา จนได้บรรลุพระนิพพานเป็นที่ดับความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมที่ไม่ตายหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ปกติแล้วเป็นผู้ที่มีความโศกเป็นธรรมดารู้ชัดทราบชัดโทษของวัตถุทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่มีความโศก ที่ดับความโศกไม่มีคุณธรรมเหล่าใดที่จะยิ่งไปกว่าเป็นธรรมที่เกษรรมจากโยคะถ้าปัญจวัคคีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นผู้ที่มีสังกิเลตคือมีทิฏฐุเจริญสังกิเลตตันหาสังกิเลตทิฏฐิสังกิเลตเป็นธรรมดารู้ชัดในสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองเกลือกล้วไปด้วยทุเจริตไม่เกลือกล้วไปด้วยตันหาและทิฏฐิ เป็นธรรมที่ไม่มีธรรมเหล่าใดจะยิ่งไปกว่าเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะปลอดภัยทั้งปวงและในที่สุดภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นก็เกิดญาณทัศนะปัจเวกขณะญาณว่าวีมุตของเราไม่กลับกำเริบเพราะอารหัตผตลไม่กำเริบเพราะถึงสุดยอดของคุณธรรมแล้วเนี่ยนะสุดยอดของสังขารธรรมก็คืออรหัตผลเนี่ยนะที่เรียกว่า เพราะผลของอรหัตตมักหรือว่าสูงสุดแล้วเนี่ยนะไม่กำเริบอีกต่อไปเพราะไม่มีการพัฒนาไปอะไรยิ่งกว่านั้นไม่มีอีกแล้วอันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเพราะอรหัตผลเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานที่ไม่กำเริบเนี่ยอาศังหิรังอสังกุปปังไม่กำเริบเนี่ยนะเรียกว่าไม่กลายเป็นฝุ่นไม่กลายเป็นละอองแล้วก็ไม่ไม่อะไรนะไม่ฟุ้งขึ้นเพราะเป็นธรรมที่มั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหว และปัญจวัคคีย์ก็รู้อีกว่าปฏิสนธิการเกิดในคันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะการเกิดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบที่จะมีอีกต่อไปไม่มีอย่างแน่นอนเนี่ยนะก็ะว่าสิ้นเชื้อแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชก็บอกว่าเอามาคั่วเผาซะสุกหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเพาะไปปลูกยังไงขึ้นอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นความสําเร็จที่ว่าภิกษุพระองค์เองเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีความเกิดแก่ป่วยตายเศร้าโศกเป็นธรรมดาเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็แสวงหาจนได้ประสบพระนิพพานและยกตัวอย่างพระภิสุท์ั้งหลายที่ออกบวชตามคือพระปัญจวัคคีย์ท่านเหล่านั้นพื้นฐานจริงๆก็เป็นคนที่มีความเกิดแก่ป่วยตายเศร้าโศกเศร้ามองเป็นธรรมดาแต่ก็มาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระนิพพานเป็นที่ พ้นจากความเศร้าโศกพ้นจากความทุกโดยปรการทั้งปวงพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เท่าแต่เฉพาะพระปัญจ ว, วัคคีย์ใช่ไหมพระยศ ก, กุลบุตรพร้อมทั้งสหายอีก55ท่านพระพัทธวัคคีย์อีก30ท่านชเด่นอีก3พี่น้องพร้อมบริวารพนะันหนึ่งะและก็พระสารีบุตรพร้อมทั้งบริวารอีกสองร้อยนะและก็กลุ่มอื่นๆ อ, อีกมากมายเนี่ยนะอย่างกรุ่มกบิลพัทเนี่ย ปีแรกก็บรรลุตามตั้งสองหมื่นรูปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ชาวอังคชาวมคอีกเป็นหมื่นรูปมันผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอีกมากมายเพราะท่านเหล่านั้นก่อนหน้านั้นท่านก็มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายเป็นธรรมดานั่นแหละมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดานั่นแหละมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดานั่นแหละแต่ท่านก็รู้โทษว่าความเกิดมีโทษอย่างไร ความแก่มีโทษอย่างไรความตายมีโทษอย่างไรความเจ็บป่วยมีโทษอย่างไรความเศร้าโศกมีโทษอย่างไรความเศร้าหมองทั้งหลายมีโทษอย่างไรก็แสวงหาสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามเป็นธรรมที่ดับความเกิดแก่ป่วยตายเนี่ยนะดับความเศร้าโศกแล้วก็ดับสังกิเลตทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้สังสมบุรณ์แสวงหาพระนิพพานก็สาเร็จมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายก็ควรเป็นเช่นนี้แหละ